สังคาที่เศษสิกขาบทที่9าว่าอันหนึ่งภิกษุใดขัดใจมีโทสะไม่ช่ำชื่นถือเอาเอกเทศบางแห่งแห่งอธิกรอันเป็นเรื่องอื่นให้เป็นเพียงเล่ต์ตามกำจัดภิกษุด้วยธรรมอันมีโทษถึงป ร, ราชิกด้วยหมายว่าแม้ฉะไหนเราจะยังเธอให้เคลื่อนจากครมอาจารย์นี้ได้ครั้นสมัยอื่นแต่นั้น อันผู้ใดผู้หนึ่งถือเอาตามก็ตามไม่ถือเอาตามก็ตามคือเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามแต่อธิกรณ์นั้นเป็นเรื่องอื่นเอกเทศบางแห่งเธอถือเอาพอเป็นเล่และภิกษุย่อมยันอิงโทสะเป็นสังฆาทิเศษอธิกรณ์เป็นเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องของผู้อื่นก็มี เป็นเรื่องของจำเลยเองก็มีถือเอาเลสแห่งอธิกรณ์เป็นเรื่องของผู้อื่นนั้นเช่นได้เห็นคนผิวขาวหรือคล้ำมีรูปร่างสูงหรือต่ำเช่นจำเลยทำการเช่นจะนำมาโจ์ได้ภิกษุอ้างการที่ได้เห็นนั้นว่าได้เห็นคนมีผิวอย่างนั้นก็ดูว่ามีสันฐานอย่างนั้นก็ดีทำอย่างนั้นอย่างนั้นคลับคล้ายคลับคลา แต่เข้าใจว่าจำเลยและโจ์ด้วยได้เห็นและสงสัยอีกอย่างหนึ่งเช่นเจ้าของเรื่องมีชื่อเหมือนกันเข้าได้ฟังคำบอกเล่าว่าคนชื่อเดียวกับจำเลยทำอย่างนั้นอย่างนั้นเก็บมาโจ์จำเลยด้วยได้ฟังและสงสัยถือเอาเลสแห่งอธิกรณ์ เป็นเรื่องของจำเลยเองนั้นเช่นรู้ว่าจำเลยประพฤติล่วงศิกขาบทบางข้อแต่ไม่ถึงป ร, ราชิกโจทย์ให้แรงถึงป ร, ราชิกความนอกจากนี้เหมือนในสิกขาบทก่อน